ช่วงนี้เป็นยังไงบ้างนี่เป็นคําถามสั้นๆแต่ก็เป็นคําถามที่ทําให้ใครหลายต่อหลายคนต้องหยุดใช้เวลาคิดทบทวนพอสมควรเป็นคําถามที่ทําให้สมองต้องถูกใช้งานเพื่อประมวลว่าที่ผ่านๆมาอะไรบ้างเป็นความสุขและอะไรบ้างที่เป็นความทุกข์และอะไรบ้างที่ไม่ทุกข์ไม่สุขและสัสดส่วนของแต่ละอันนั้นเป็นอย่างไร เมื่อได้สัด ส, ส่วนแล้วจึงพอจะตอบคำถามไปได้ว่ารวมๆแล้วชีวิตเรามีความสุขหรือมีความทุกข์และที่แน่นอนทีเดียวว่าธรรมชาติของมนุษย์และสัตว์ต่างก็อยากมีความสุขและไม่อยากมีความทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นข้าพเจ้าก็จึงอยากจะถามคำถามกับท่านผู้อ่านว่าในเมื่อเราต้องการความสุขอยากจะมีแต่ความสุขอยู่ตลอดเวลาทุกอย่าง9้าวที่เราดาเนินไปทุกสิ่งที่เราทา เราก็มีเป้าหมายอย่างเดียวคือทำให้เรามีความสุขแล้วทำไมจึงยังมีความทุกข์ปะปนอยู่ในชีวิตของเราอยู่เรื่อยๆจากคำถามที่ได้ยกไว้แต่ตอนต้นข้าพเจ้ามั่นใจในคำตอบเลยว่า 100% อร์ซของคนที่ตอบต้องมีสัดส่วนของความทุกข์ที่นำมาใช้ในการประเมินแน่นอนแล้วอะไรคือข้อผิดพลาดในการดำเนินชีวิตของเราจึงทาให้เรายังต้องเจอทุกข์อยู่เรื่อย ซึ่งแนวคิดความเห็นในการทำความเข้าใจของคนทั่วๆไปเกี่ยวกับความสุขนั้นคือทำอย่างไรทำอะไรให้ชีวิตมีความสุขเมื่อเห็นว่าทำอะไรทำอย่างไรแล้วมีความสุขก็จะมุ่งทำอย่างนั้นเพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์คือความสุขอย่างที่คิดไว้ถามว่าผิดไหมก็ตอบว่าไม่ผิด แต่ถ้าเรานํามาเปรียบเทียบกับการทํางานให้ประสบผลสําเร็จแล้วสิ่งสําคัญยิ่งยวดที่ต้องนํามาพิจารณานอกจากวิธีการที่ทําให้สําเร็จแล้วนั่นก็คืออุปสรรคหรืออะไรก็ตามที่ทําให้งานไม่สําเร็จอย่างที่ตั้งเป้าไว้นั่นเองฉะนั้นบุคคลหรือองค์กรไหนที่มีการศึกษาทําความเข้าใจเกี่ยวกับอุปสรรคในการทํางานว่ามาจากสาเหตุอะไร และแก้ไขป้องกันสิ่งเหล่านั้นได้งานของบุคคลหรือองค์กรนั้นๆก็จะดูเหมือนมีความราบลื่นไปได้ดีซึ่งนั่นก็เพราะเขารู้เขาศึกษาทั้งในส่วนที่เป็นเหตุของความสําเร็จของงานและอุปสรรคข้อขัดข้องของความสําเร็จทั้งสองด้านที่พูดมานี้ก็อยากจะยอมให้เห็นถึงว่าชีวิตเราจะมีแต่ความสุขตามที่ปรารถนาไว้นั้น ความรู้ความเห็นเกี่ยวกับวิธีหาความสุขเพียงอย่างเดียวนั้นยังไม่พอเราจะเป็นต้องศึกษาเกี่ยวกับความทุกข์ด้วยเมื่อรู้เกี่ยวกับทุกข์เมื่อรู้กระบวนการความเป็นไปของความทุกข์เราจึงบริหารจัดการกับความทุกข์ได้และผลของการบริหารจัดการความทุกข์ได้อย่างดีนั้นก็คือความสุขที่ไม่ขาดตอนเพราะมีทุกข์ต่างๆเข้ามาแทรกเป็นความสุขที่มั่นคงอย่างที่เราทั้งหลาย ปรารถนากันและต้นตํำรับนักบริหารความทุกข์ความเป็นไปของความทุกข์ที่เลิศที่สุดก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั่นเองดังที่เราได้ยินกันอยู่เสมอว่าสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสรู้คือความจริงอันประเสริฐสี่อย่างคือทุกข์เหตุเกิดทุกข์ความดับของทุกข์และทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ฉะนั้น สิ่งที่ข้าพเจ้าจะนำท่านผู้อ่านทุกท่านให้เดี๋ยรู้ได้เข้าใจต่อไปนี้ก็คือความเข้าใจเกี่ยวกับทุกตามแนวที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประทานไว้ก่อนที่จะได้นำทุกท่านไปเยี่ยมชมโรงเรียนสอนเกี่ยวกับความทุกตามแนวทางของพระธถรคตก็อยากจะทราบพื้นความรู้ของแต่ละท่านกันก่อนคาถามที่อยู่ว่าทุกคืออะไรคาถามที่สองคือ อะไรบ้างที่เรารู้สึกว่ามันคือความทุกข์แค่คำถามแรกเท่านี้ก็ทำให้ทุกท่านเกิดความรู้สึกกระอกระอ่วนคิดคน้นคิดแล้วก็ยังไม่ลงใจคิดแล้วก็ได้คําตอบเป็นเพียงความรู้สึกในใจแต่ยังหาคํมาอธิบายไม่ได้ภาพความรู้สึกหรือเรื่องราวต่างๆปรากฏขึ้นมากมายว่าสิ่งเหล่านี้เป็นความทุกข์ของเราได้แต่ชี้ว่านี่ไงทุกข์ นั่นไงทุกโน่นก็ใช่ทุก์ซึ่งนี่ก็เป็นแค่คําตอบของคําถามที่สองเท่านั้นและถ้าเป็นไปได้ข้าพเจ้าก็อยากให้ท่านได้ลองจดบันทึกสิ่งต่างๆที่ท่านผู้อ่านได้นึกเมื่อสักครู่ว่าอะไรบ้างที่เป็นทุกข์ของเราลงในกระดาษสัก2 0่สถึงสาอย่างเพื่อที่จะได้ให้ทุกท่านได้นําข้อมูลตรงนี้ไปใช้กับเนื้อหาที่จะกล่าวต่อไป มาถึงตรงนี้บางท่านอาจจะอยากทราบความหมายจริงๆของคำว่าทุกข์แล้วข้าพเจ้าก็จะขอพาท่านแวะไปเยี่ยมชมฝ่ายวิชาการเพื่อถามหาคําตอบนี้กันศัพท์คำว่าทุกข์เป็นคำบาลีแต่ทุกวันนี้เราใช้กันจนเป็นคำไทยไปแล้วทุกมาจากทุกขะในภาษาบาลีถ้าจะแยกย่อยลงไปอีกก็จะเป็นว่าทุบวกขมะ ศัพท์คำว่าทุมีความหมายว่ายากส่วนศัพท์คำะมีความหมายว่าทนหรืออดทนฉะนั้นคำว่าทุกหรือทุกขะจึงมีความหมายเต็มว่าทนได้ยากหรืออดทนได้ยากบางครั้งเราก็จะได้ยินคาแปลของทุกว่าสภาพความทนได้ยากบ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็อยากให้ท่านผู้อ่านได้เข้าใจถึงรากของสับอย่างที่ได้กล่าวข้างต้นเพื่อจะได้เป็นหลักในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องทุกต่อไปไปถามฝ่ายวิชาการกันมาแล้วคราวนี้ก็ลองเอากระดาษน้อยที่จดเมื่อสักครู่มาตรวจสอบดูว่าที่จดบันทึกลงไปทั้งหมดมันสร้างความทนไม่ได้ให้เราใช่หรือไม่ทีนี้ทุกท่านก็คงพอเข้าใจเกี่ยวกับทุกมากขึ้น เข้าใจที่ลึกซึ้งถึงแก่นของภาษามากขึ้นเมื่อเข้าใจถึงแก่นแล้วศักยภาพในการทําความเข้าใจและวิเคราะห์เกี่ยวกับทุกข์ตามแนวทางของพระพุทธศาสนาก็จะตรงมากขึ้นเมื่อสักครู่ได้ให้ท่านผู้อ่านได้นึกและจดบันทึกว่าอะไรบ้างที่เป็นทุกของเราและก่อนที่จะได้พูดถึงเรื่องทุกต่อไป สิ่งที่ต้องทําความเข้าใจเพื่อเป็นพื้นฐานอีกอย่างหนึ่งก่อนนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าเราหรือสิ่งที่เรียกว่าคนถ้าจะให้อธิบายถึงว่าอะไรคือคนท่านผู้อ่านจะอธิบายว่าอย่างไรก่อนที่จะเป็นคําที่เราเรียบเรียงได้สิ่งแรกที่น่าจะปรากฏกับท่านผู้อ่านคือภาพภาพหนึ่งในสมองที่ท่านผู้อ่านกําลังจะอธิบายว่าสิ่งนี้หรือภาพในสมองอันนี้แหละ ที่เรียกว่าคนมีศีรษะอยู่บนสุดมีแขนสองมีลำตัวและขาสองข้างเป็นอย่างคร่าวๆหรือบางท่านก็อาจจะอธิบายเป็นวิชาการมากขึ้นสักหน่อยว่าคนก็เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจนพวกหนึ่งมีสัดส่วนของสมองที่มากเมื่อเทียบกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นๆมีความฉลาดในเหตุผลและอื่นๆ ที่ว่ามันนี้เป็นแนวทางการอธิบายแบบทั่วไปแล้วตามแนวทางของพระพุทธศาสนาล่ะท่านวิเคราะห์ไว้อย่างไรในทางพุทธคนประกอบไปด้วย2 ส, ส่วนคือกายกับใจที่ว่ากายก็คือร่างกายนั่นเองส่วนขนาดของร่างกายท่านก็ได้ระ บ, บุไว้คร่าวๆว่ากว้างสอกยาววาหนาังคืบ ส่วนรายละเอียดนั้นบางครั้งที่ท่านต้องการแสดงอย่างย่อก็แสดงว่าเป็นปัญจัดสาขาคือประกอบไปด้วยแขนสองขาสองศีรษะหนึ่งเมื่อพิจารณาในรายละเอียดก็ประกอบไปด้วยอาการทั้ง32ออย่างคือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูก ม, ม้ามหัวใจตับ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 ก็แสดงว่าเป็นที่ประชุมกันหรือผสมกันของธาตุทั้ง4คือดินน้ำไฟและลมพอพูดถึงธาตุสี่แล้วโดยส่วนตัวผู้เขียนเองแล้วก็นึกถึงตัวเองสมัยเด็กๆครั้งเมื่อได้ยินคำอธิบายของคนว่าประกอบไปด้วยธาตุทั้งสี่ผู้เขียนในสมัยเด็กนั้นไม่ลงใจให้กับการอธิบายนี้เลย้วยว่าเป็นเด็กที่เรียนสาย มีความเข้าใจตามศาสตร์ของทางตะวันตกคือมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตย่อยลงไปก็เป็นที่รวมของเซลล์ต่างๆย่อยลงไปก็เป็นคโครโมโซม DNA อย่อยไปจนถึงเป็นธาตุคือตามแนวทางวิทยาศาสตร์เป็นอะตอมพอนึกว่าให้เอาดินกองหนึ่งมาผสมกับน้ำใส่ลมและไฟลงไปมันจะเป็นคนเป็นสัตว์ได้อย่างไร อย่างดีก็น่าจะเป็นได้แค่รูปปั้นเท่านั้นแต่พอได้ลองวางความยึดติดทางด้านความรู้เดิมแล้วค่อยเปิดรับสิ่งที่พระพุทธองค์อธิบายค่อยๆทำความเข้าใจไปทีละน้อยยสั่งสมไปทีละน้อยยก็จึงได้พบว่าเราต้องมีความจริงเป็นตัวตั้งส่วนการอธิบายนั้นก็แล้วแต่ความถนัดของใครคนนั้นว่าถนัดนาเสนออย่างไรยกตัวอย่างเช่น เวลาเลือกซื้อหูฟังเวลาลองฟังเสียงที่ได้ยินบางคนก็ถนัดอธิบายว่าเสียงตัวนี้ออกแนวใสตัวที่แล้วออกแนวแน่นแต่หม่นหมนกว่าเป็นต้นแต่กับอีกคนก็อาจจะอธิบายว่าเสียงตัวนี้ย่านเสียงสูงออกดีตัวที่แล้วย่านเสียงต่ำดีแต่ย่านเสียงสูงออกไม่ชัดเท่าไหร่ นี่ก็ชี้ให้เห็นว่าสิ่งเดียวกันแต่สื่อสารและอธิบายตามความรู้และความถนัดของแต่ละคนไปชั้นใดก็ฉันนั้นวิทยาศาสตร์นั้นอธิบายในแง่ของการประกอบขึ้นทั้งนี้ก็ด้วยอุปกรณ์ต่างๆที่พรั่งพร้อมและเอื้ออำนวยตามยุคสมัยส่วนในสมัยเมื่อ 2,600 ปีที่ผ่านพระพุทธเจ้าทรงเลือกวิธีที่เหมาะกับยุคนั้น โดยที่คนยุคนั้นก็สามารถพิสูจน์ตามนั้นได้นั่นก็คือพระองค์ทรงอธิบายในแนวทางสลายตัวไปถ้าความร้อนหายไปถ้าน้าหายไปลมหมดไปส่วนที่เหลือก็คือดินแค่กองหนึ่งเท่านั้นซึ่งถ้าอธิบายตามแนววิทยาศาสตร์สมัยนี้คนยุคนั้นก็คงจะต้องโจ์ว่าพระองค์เป็นพวกพ่อมดหมอผีเป็นแน่แต่เมื่อเวลาผ่านไปแล้ว แนวทางที่พระองค์อธิบายไว้ก็ยังเป็นคําอธิบายที่ใช้ได้ดีอยู่เสมอไม่ว่าจะอีกกี่ปีข้างหน้าใช้คําอธิบายที่พระองค์ทรงประทานไว้ก็ยังเห็นความจริงนี้ได้อยู่เสมอผู้เขียนจึงขอยกย่องและเทิดทูนพระศาสดาผู้เป็นเอกบุรุษของโลกนี้ผู้ได้นำความจริงที่ไม่เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลานี้มาแสดงแก่เราทั้งหลาย พาทุกท่านแวะออกนอกเรื่องไปสักหน่อยทั้งนี้ก็ด้วยประสบการณ์ในอดีตที่ฝังใจมาแต่ก็คงทำให้ผู้ที่เคยมีความรู้สึกแบบเดียวกันนี้ได้ปล่อยวางและเปิดรับความเป็นจริงได้ง่ายขึ้นไม่มากก็ น, น้อยและส่วนที่สำคัญที่ทำให้การผสมรวมกันของท่าทั้งสี่นี้ไม่กลายไปเป็นเพียงแค่รูปปั้นนั้นก็คือจิตนั่นเองถ้าขาดซึ่งจิตนี้แล้วไซ คนมีชีวิต ท, ที่เราเห็นก็ไม่ต่างอะไรกับศพจะเอาไม้ไปตีเอามีดไปกรีดเอาไปต้มยำทำแกงอะไรก็ไม่มีเสียงหรือปฏิกิริยาตอบกลับมาทั้งนั้นปเปรียบเทียบเป็นรถยนต์น่าจะเห็นภาพดีคือปเปรียบร่างกายเป็นตัวรถและจิตเป็นคนขับรถรถจะสำเร็จหน้าที่ของมันคือการที่มันวิ่งจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง ซึ่งถ้าขาดรถมีแต่คนขับก็ยังไม่ได้หรือมีแต่รถแต่ขาดคนขับก็ไม่ได้เช่นกันฉะนั้นจิตนี้เองเป็นส่วนประกอบที่วิทยาศาสตร์ไม่ได้กล่าวไว้แต่พระพุทธองค์ทรงตรัสและทรงให้ความสําคัญกับจิตนี้มากด้วยดังมีพุทธพจน์กล่าวไว้ว่ามโนป บ, บังกามธรรมา ม, ามโนเศธ่ามโนมายาความว่า ทำทั้งหลายมีใจเป็นนายมีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วด้วยใจคำถามก็เลยมีว่าแล้วจิตคืออะไรแต่ก่อนที่จะได้ตอบคำถามนี้ก็ขออธิบายเพิ่มเติมกับคำศัพท์ที่ควรรู้สองคำก่อนเพื่อจะได้เข้าใจที่ตรงกันในการพูดถึงต่อๆไปศัพท์ทั้งสองคำนั้นก็คือรูปและนาม บางครั้งเราก็มักจะได้ยินว่ารูปธรรมนามธรรมพอยกสองคำนี้ขึ้นมาผู้อ่านส่วนมากก็จะพอคุ้นเคยกับความหมายของศัพท์บ้างพอสมควรแต่ก็ขออธิบายเพิ่มเติมเพื่อจะได้มีความเห็นที่ตรงกันรูปธรรมหรือธรรมในส่วนที่เป็นรูปรูปไม่ใช่มีความหมายเพียงแค่สิ่งที่เราใช้ตามองเห็นได้เท่านั้น แต่ครอบคลุมไปถึงสิ่งที่เราสามารถรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้าของมนุษย์คือตาหูจมูกลิ้นกายฉะนั้นสิ่งที่จัดว่าเป็นรูปก็คือวัตถุคือรูปต่างๆอีกทั้งเสียงกลิ่นรสและสัมผัสก็จัดว่าเป็นรูปเช่นกันนี่ก็อยากจะชี้ให้เห็นถึงว่าสิ่งที่มองไม่ได้ด้วยตาอย่างเช่น เสียงกลิ่นรสและสัมผัสต่างๆนั้นก็จัดอยู่ในรูปด้วยเช่นกันส่วนนามธรรมหรือธรรมในส่วนที่เป็นนามนั้นไม่สามารถที่จะรับรู้ได้ในแบบที่กล่าวมายกตัวอย่างคงทำให้เห็นภาพมากขึ้นความดีใจความเสียใจความโกรธความรักความปวดความจำความคิดเหล่านี้เป็นต้น เป็นตัวอย่างของธรรมในส่วนที่จัดว่าเป็นนามและอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วคือสิ่งเหล่านี้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5เข้าไปรับรู้ไม่ได้เลยบางท่านก็อาจจะค้านขึ้นว่าเราก็สามารถรับรู้ส่วนที่เป็นนามธรรมมีความปวดความดีใจเป็นต้นของบุคคลอื่นได้ด้วยตาบ้างด้วยเสียงบ้างโดยการสัมผัสบ้างเหล่านี้อย่างเช่นเพื่อนเราโกรธ เราก็ได้ยินเสียงที่เขาพูดได้เห็นอาการที่เขาแสดงเราก็รับรู้ได้ว่าเขากำลังโกรธอยู่อันนี้ก็ขอแกว่าสิ่งที่ว่ามาเมื่อสักครู่เป็นเพียงแค่การที่เราใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5ของเราประเมินเพื่อที่จะพอเข้าใจในส่วนนามที่เป็นความโกรธของเพื่อนเท่านั้นซึ่งไม่เหมือนกับเมื่อเราและเพื่อนอยู่ในห้องที่ร้อนอบอ้าว ทั้งเราและเพื่อนก็รับรู้ได้ถึงสัมผัสของความร้อนอย่างเดียวกันจริงๆมีธรรมชาติหนึ่งที่เป็นส่วนนามมีหน้าที่รับรู้ถึงนามธรรมทั้งหลายซึ่งธรรมชาตินามนี้บางครั้งท่านก็อธิบายในส่วนของการเป็นธาตุชนิดหนึ่งบางครั้งใช้คำว่ามโนธาตุบ้างวิญญาณธาตุบ้างมีความหมายว่า ธาตุที่ทำหน้าที่รู้หรือรับรู้แต่ส่วนมากก็ไม่ได้เรียกเป็นธาตุเรียกโดยใช้ชื่อว่ามโนบ้างจิตบ้างวิญญาณบ้างใจบ้างซึ่งเป็นส่วนประกอบอีกส่วนของคนดังที่ได้กล่าวมาแล้วแต่ตอนต้นคือใจนั่นเองและได้กล่าวอีกว่าถ้าขาดธรรมชาติคือใจนี้แล้วไซคนที่เราเห็นก็ไม่ต่างอะไรกับศพ หรือรถที่ขัดคนขับกายไม่สามารถทำอะไรเองได้ต้องมีใจเป็นตัวคอยสั่งการให้ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดเหล่านี้พูดมาถึงขั้นนี้แล้วก็ขออนุญาตท่านผู้อ่านออกนอกไปอีกสักนิดเป็ น, นเรื่องที่ผู้เขียนอยากจะทาความเข้าใจกับนักเรียนสายวิทย์เกี่ยวกับเรื่องสมองกับจิตโดยมากเราก็ได้รับข้อมูลว่า การทำงานของร่างกายนั้นมีสมองเป็นส่วนสั่งการโดยส่วนตัวผู้เขียนเองก็ไม่ปฏิเสธเรื่องนี้และคิดว่ามันจริง 100% เเซแต่อยากเพิ่มเติมความจริงในแนวของพุทธที่ละเอียดลงไปอีกชั้นหนึ่งคือจิตถึงแม้จะเป็นนามธรรมไม่มีรูปร่างจับต้องไม่ได้แต่ก็ต้องการที่อยู่ดังมีพระบาลีที่อธิบายลักษณะอาการของจิตไว้ว่า อสรีรังคือไม่มีรูปร่างคูห้าสยังคือมีถ้ำเป็นที่อยู่อาศัยซึ่งถ้ำในที่นี้ก็ได้กล่าวไปแล้วคือกายนี้เองกายที่มีขนาดกว้างสอกยาววาหนาคืบเมื่ออาศัยอยู่ในกายนี้ก็ใช้กายนี้ทาหน้าที่ต่างๆตามที่จิตต้องการและเวลาที่ต้องการสั่งให้ร่างกายนี้ทำอะไร จิตก็เข้าไปที่ห้องบังคับการของร่างกายคือสมองนั่นเองเวลาหลับหรือจิตต้องการพักจิตก็กลับไปที่ฐานที่พักของจิตซึ่งไม่ใช่สมองแต่เป็นใจแต่ทั้งนี้จะอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ในโอกาสถัดไปไม่เช่นนั้นจะเป็นการออกนอกประเด็นเนื้อหาของเรื่องทุกมากจนเกินไปฉะนั้นโดยสรุปแล้วควรประกอบไปด้วยกายกับใจ ซึ่งกายก็เป็นส่วนประกอบของธาตุสี่และใจก็เป็นนามธรรมเป็นธาตุรู้ที่เรียกกันว่าจิตทีนี้ก็ได้กลับมาเข้าประเด็นเรื่องของทุกข์กันต่อพอพูดถึงทุกข์ของคนเราแล้วก็น่าจะเขียนเป็นสมการพอขำขันเล่นๆดังนี้ทุกคนเท่ากับทุกกายบวกกับทุกใจ พอข้าพเจ้าเห็นสมนการที่เขียนนี้แล้วก็ทําให้ย้อนนึกถึงสมัยก่อนที่เคยเขียนแจกแจงทุกโดยล้อเรียนสมนการทางคณิตศาสตร์ทําเป็นแนวเชิงหยอกล้อว่าเราสามารถใช้คณิตศาสตร์คํานวณค่าของความทุกขออกมาได้เป็นตัวเลขแต่คงไม่นํามาแสดงไว้นตรงนี้โดวยว่าจะออกนอกลูน่นอกทางตามนิสัยของผู้เขียนเกินไปแต่ถึงอย่างนั้นก็ขอแวกข้างทางต่ออีกหน่อย ท่านผู้อ่านรู้จักแก่นตะวันไหมถ้ามีคำสั่งให้ไปหามาไว้สำหรับคนที่รู้จักดีก็คงไม่ยากแต่สำหรับคนไม่รู้จักก็คงต้องไปสืบค้นหาข้อมูลกันก่อนแล้วจึงค่อยไปหาซื้อพอได้ข้อมูลมาแล้วว่าแก่นตะวันเป็นหัวที่อยู่ใต้ดินของต้นทันตะวันมีลักษณะภายนอกคล้ายขิงแต่รสชาติคล้ายมันเทศมันแกว เราจึงเลือกซื้อมาได้อย่างถูกต้องโดยที่ระหว่างเลือกซื้อก็เอาของที่เห็นมาเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ได้มาก็จึงรู้ว่าอันนี้ใช่อันนี้ไม่ใช่นี้ฉันใดเวลาเราจะศึกษาเรื่องทุกข์เราก็ต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องของทุกข์จริงๆซะก่อนจะได้เอาไว้เป็นมาตรฐานเป็นตัวเทียบเคียงตรวจสอบแล้วทุกข์ที่เรารู้และเข้าใจกันอยู่ตอนนี้มันไม่ถูกหรือ เป็นเ น, นว่าถ้าเรายังมีความทุกข์ในชีวิตอยู่ก็แสดงว่าเรายังมีความผิดพลาดในด้านความเข้าใจหรือไม่ก็แนวปฏิบัติเกี่ยวกับทุกข์อยู่ข้าพเจ้าจึงอยากจะให้ทุกท่านเด้ววางความรู้ที่เคยมีมาไว้เสียก่อนมาลองดูต้นตำรับทักแก้ทุกข์คือพระพุทธเจ้ากันว่าอะไรบ้างที่พระองค์ทรงจัดไว้ว่าเป็นทุกข์คงไม่ต้องไปดูหรือหาการให้วุ่นวาย สิ่งที่ท่านตรัสไว้ก็อยู่ในบทสวดธรรมวัดเช้าอยู่แล้วถ้าใครได้มีโอกาสทำวัดเช้าทำวัดค่าอยู่บ่อยๆก็ได้มีโอกาสที่ได้ฟังเก่นคคำสอนอยู่เป็นประจำและบทที่ท่านตรัสเกี่ยวกับทุกขว่าดังนี้ชาติปิดทุกขาชาราปิดทุกขามรณาะาปิดทุก ข, ขังโสกับปริเทวะทุกขโทมนต์สอุปายาาปิดทุกขา อภีเยหิสัมประโยโคทุโขปีเยหิวิประโยโคทุโขย่มปิดฉังนันลภติตามปิดทุกขงังสังคิเตนะปัญจุปาทานะขันธาทุกขาหยุดไว้แค่นี้ก่อนประบางท่านที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาบาลีคงจะเริ่มไปต่อไม่ไหวแล้วถ้าอย่างนั้นเรามาดูคำแปลกันชาติปิทุขาหมายความว่า แม้ชาติคือความเกิดก็เป็นทุกข์เมื่อได้ยินคำว่าเกิดหลายท่านคงนึกถึงสิ่งน่ายินดีเพราะมีชีวิตใหม่ถือกำเนิดขึ้นโดยเฉพาะบรรดาคุณพ่อและคุณแม่ทั้งหลายคงจะมีความสุขและเฝ้ารอวันที่ลูกน้อยจะออกมาลืมตาดูโลกและวันที่ลูกน้อยได้คลอดออกมาและลืมตาออกดูโลกแล้ววันนั้นก็เป็นวันที่มีความสุขมากที่สุดวันหนึง่งของผู้ที่เป็นพ่อแม่คน แล้วทำไมพระพุทธองค์จึงตรัสสวนทางกับความรู้สึกเช่นนั้นล่ะคำตอบคือเวลาเราพิจารณาธรรมะใคร์ครวนธรรมะนั้นอย่ามองออกไปที่ใครอื่นหรือสิ่งอื่นถ้าท่านผู้อ่านพอจาที่ข้าพเจ้าพูดไว้แต่ตอนตอน้นผู้เขียนได้ถามถึงความทุกข์ของท่านผู้อา่านฉะนั้นเวลาพิจารณาเกี่ยวกับความเกิดก็ต้องย้อนไปตอนสมัยเมื่ออยู่ในคันของแต่ละท่าน เพราะแต่ละท่านก็เป็นผู้ที่ผ่านการเกิดมาแล้วโดยจะไม่มองเกี่ยวกับพ่อแม่ผู้ที่ให้กำเนิดหรือการเกิดขอให้สังเกตคำว่าพ่อแม่เป็นผู้ให้กำเนิดแต่ผู้ที่เกิดก็คือเรานี่เองฉะนั้นก็ขอให้แต่ละท่านได้ย้อนระลึกถึงตัวเองในสมัยที่ยังอยู่ในคันจนถึงคลอดออกมาซึ่งส่วนมากแล้วก็คงจะบอกว่าจาไม่ได้หรอกไม่เป็นไร ถ้อย่างนั้นก็ค่อยๆตามข้าพเจ้ามาทีละน้อยละน้อยสมมติว่าถ้าท่านผู้อ่านถูกจับลงไปในลังขนาดไม่ใหญ่ต้องให้นอนคุดคูพลิกตัวก็ลําบากข้าพเจ้าคงไม่ต้องถามเมื่อถูกจับให้อยู่ในลักษณะแบบนี้แล้วจะสบายและมีความสุขดีหรือไม่ถ้าให้เลือกระหว่างนอนในลังแบบนี้กับนอนบนที่นอน ได้เหยียดตัวเต็มที่และเคลื่อนไหวพลิกตัวได้อิสระทุกท่านก็คงไม่เลือกนอนในหลังเป็นแน่เพราะถ้าต้องให้นอนในหลังอย่างนี้ตลอดมันเป็นเรื่องที่เราทนได้ยากคือทนปวดขาทนเมื่อยเพราะไม่ได้พลิกตัวเป็นต้นเหล่านี้ได้ยากสภาพที่ต้องนอนคุดคูอยู่อย่างนี้เป็นสภาพที่ทารกทุกคนต้องเจออย่างไม่มีหลีกเลี่ยง ถามว่ามันสบายหรือไม่มีอาการป่วยผิดปกติอะไรก็ไม่สามารถร้องตะโกนบอกใครให้รู้ได้เหมือนอย่างที่เคยได้ยินข่าวเกี่ยวกับหญิงสาวคนหนึ่งคันมีอาการผิดปกติแต่ไม่ทราบด้วยสาเหตุจริงๆคืออะไรที่ทำให้หมอวินิจฉัยว่าเป็นปกติดีอยู่พอมารู้อีกทีก็คือหญิงคนนั้นแท้งเสียแล้วและสาเหตุของการแท้งครั้งนี้ก็คือ รกพันคอทารกจนตายในคันนี้ก็ชี้เห็นว่าทารกที่อยู่ในท้องได้รับความทุกข์ทรมานอยู่นานกว่าจะเสียชีวิตและสำหรับบางรายที่ถึงกำหนดคลอดก็ไม่ใช่เรื่องที่สบายเลยกับการคลอดถ้าทุกท่านลองจินตนาการว่าอยู่ในถังน้าและถังน้ํานั้นมีทางออกแคบๆอยู่ทางเดียว เฉพาะขนาดของทางออกที่ต้องพยายามเบียดตัวเองให้ออกมาได้ก็ลำบากแล้วยังต้องเผชิญกับแรงดันของถังที่พยายามบีบอัดตัวของถังเองเพื่อจะดันให้เราออกมาด้วยคงไม่มีผู้อ่านคนไหนคิดว่าเป็นเรื่องน่าสนุกแล้วถ้าเกิดเราไปติดคาตรงทางออกอีกทั้งแรงดันแรงบีบของถังก็พยายามดันเข้นเราออกมา คงจะไม่ใช่เรื่องที่เราจะทนได้ง่ายเลยถ้าทนไม่ไหวชีวิตก็คงจะหาไม่ในที่สุดพอพูดมาถึงตอนนี้สำหรับท่านที่บอกว่าจำเรื่องสมัยตอนคลอดออกจากท้องแม่ไม่ได้นั้นก็คงพอเทียบเคียงได้แล้วและก็คงพอนึกภาพทุกของการเกิดได้พอประมาณแล้วก็ขอย้ำกับท่านผู้อ่านสักนิดหนึ่งเกี่ยวกับวิธีพิจารณาเกี่ยวกับคาสอนของพระพุทธองค์ เพื่อเป็นพื้นฐานที่ตรงแนววิเคราะห์และนำธรรมะไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิผลที่อยากจะย้าก็คือธรรมะหรือคำสอนทั้งหมดทั้งมวลท่านสอนลงที่จุดเดียวคือที่ใจและเป็นใจของผู้ที่ฟังหรือผู้พิจารณาธรรมฉะนั้นเวลาพิจารณาจึงต้องย้อนมาดูที่ตัวผู้พิจารณาอย่าพิจารณาออกนอกตัวเองไปพิจารณาผู้อื่น เรื่องการเกิดเป็นทุกข์ที่ได้อธิบายมานี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีที่ทำให้ท่านผู้อ่านได้เข้าใจหลักในการพิจารณาธรรมะมากขึ้นเพราะโดยส่วนมากเวลาพูดถึงเรื่องความเกิดเป็นทุกข์เราจะไปพูดถึงทุกข์ของผู้เป็นแม่ซึ่งนี่ไม่ใช่ทุกข์ของการเกิดแต่เป็นทุกข์ของผู้ให้กำเนิดเป็นทุกข์ที่มาจากความเจ็บปวดของร่างกายซึ่งเป็นทุกข์จริงแต่จัดอยู่คนละประเภท กับชาติคือความเกิดทุกลำดับถัดไปที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ก็คือชาราปิทุกขาแม้ความชาราก็เป็นทุก